BOOK two. 2ูสามเซ<ะ>การทำความรู้จักออชนาชดันสวัสดีค่ะซาลอสวัสดีค่ะรูสเบเค สบายดีไหมคะฮอลเลตเชตอรเรคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะชมอมอสอรุามียอีดคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะช م มอ ز อเมริกามียอีดคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ ช م ا ا ม آ อ ی ๊ดอสิยามอคุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะดาร์คดอมโฮเทลเอกาเมตดรดคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะเฉมดดัตอั๊ดเอกาเมตตันดินจามีโกซระดคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ چه مدت اینجا میمانید؟ คุณชอบที ی ی ่นี่ไหมคะ از اینجا خ و ش ت ا ن می آید คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะ ب ر ا ی م س ا ف ر ت ا ی ن ج ا هستید มาเยี ی ی ่ยมดีฉันบ้างนะคะ به ملاقات من بیایی นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ In address monast เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ Pardo ham d i r r mi bini ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดิฉันไม่ว่าง Mutasafam man barno me d o r ลาก่อนค่ะ ขด้าฮาเฟซลาก่อนค่ะเปอมิดดีดาร์แล้วพบกันนะคะขด้าฮาเฟซ